ไม่มีทางเสียหายแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไม่สูญหายเหมือนกับสสารก็ไม่สูญหายไปจากโลกนี้ความดีที่เราทําล้วนส่งผลแต่มาได้เขียนเป็นวลีให้จําง่ายๆว่าความดีไม่มีหายและความร้ายไม่มีศูนย์ครับเขอเรียนครับว่าเนื่องจากเวลาจํากัดแล้วต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าผล น, นี้เป็นผลแรกที่ผมสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์มัชชราเมธีนะครับเราเราไม่เคย เตรียมกันมาก่อนนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่เป็นบรรยากาศสดทั้งหมดเลยฉะนั้นบางอย่างก็ต้องขอข้ามาละครับแล้วก็ข้ามมาจนถึงสรุปสุดท้ายตรงนี้ครับว่าอยากจะขอข้อคิดจากพอาจารย์นะในช่วงท้ายของรายการวันนี้ว่าเราในฐานะ ป, ปุตุชนทั่วไปซึ่งตอนนี้ทราบแล้วแหละว่าอะไรดีอะไรอะไรไม่ดีกรรมดีเป็นยังไงกรรมชั่วเป็นยังไงพิบากเป็นยังไงเราจะมี ทัศนคติในการพลิกวิกฤตที่เราเจอไม่ว่าเป็นอาการเจ็บป่วยเป็นอะไรต่างๆที่ถมกระนาเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยพิวิกฤตเป็นโอกาสด้วยบุญได้อย่างไรครับท่า น, า น, านอาจารย์ตมาเพิ่งผ่านวิกฤตมาแบบเฉียดฉิวคือเมื่อเดือนที่แล้วจะมาภาพกลับไปที่บ้านเกิดไปเยี่ยมยศพคือตอมาเนี่กลับชิงรายทุกเดือนอยู่แล้วแหะเพราะต้องการจะให้เวลากับยศพคืนนั้นกลับเด็ก ประมาณสองทุ่มนั่งรถมากับคนขับรถพอมาถึงจุดที่เปลี่ยวมากๆก็อยู่ระหว่างขุนเขาข้างหน้าเป็นรถสิบแปดล้อพ่วงคนขับรถก็ขับมาแล้วเขาก็ให้สัญญาณไฟให้เราแซงคนขับแซงขึ้นไปแปลงมากนะตอนที่รถกำลังแซงเนะี่ยตมาสังหรณ์ใจสังหรณ์ใจว่ามันมั น, ม, นมันไม่ใช่ภาวะปกติ พอราแซงขึ้นไปปั๊บมันไม่พ้นคุณยองรถบัสสวนมาเลยนาทีนั้นด้วยความที่เราเคยฝึกอบรมสติมาอาตมาเข้าสู่พรวังของความสงบเข้าสู่หมดเตรียมตัวตายอาตมารู้แล้วพุ่นนี้นาหนึ่ง <c oughs> แล้วอาตมาไม่พูดอาตมาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นณ น, นาทีนั้น แล้วรถเราแซ่ก็ไปตรงกลางหลุดมาแบบเส้นยาแดงผ่าแปะพอหลุดมาคนยอมเชื่อไหมคนขับพูดว่าไงเขาบอกว่าถ้าเขาขับมาเองเขาจบชีวิตแล้วทีนี้พอเขานั่งมากับอาตมาโดยทีย่อาตมาไม่ได้กระโต ก, กระตากเลยนะปรากฏว่าเขาสงบพลังของสติบรแพรีไปคลุมคนขับรถจนเขาสามารถขับรถเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แซ่รถของเราเข้าไปตรงกลางห่างกันแค่ฝ่ามือ คุณยอมลองคิดดูนะคือตอนนั้นอตาตมารู้แล้วว่ามันมันไม่มีสิทธิ์รอดสังหอนตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วพอเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกอตาตมารู้เลย ว, ว่าที่ฉันฝึกมาทั้งหมดก็เพื่อบรรยากาศเช่นนี้ลองพลิกไปถ้าอตาตมาไม่เคยฝึกสติมานะพออัดแซงไปแล้วไม่พ้นแล้วอีกคันมันมันไฟมันวาบมา อาตมาก็จะตบหลังคนรับพัวเลยแล้วเป็นยังไงตายได้แต่มันยังไม่ชนแล้วอะเพราะขาดสติปุ๊บเนี่ยนะคุณโยมจะประคองได้ไหมไม่มีทางนี่คือตัวอย่างว่าถ้าคุณมีความสงบซึ่งเกิดจากการที่เราเคยฝึกสติอยู่เสมอพอเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นพลิกวิกฤตเลยเป็นโอกาสอาตมาจึงได้เห็นคุณค่าของการฝึกสติมา จริงๆเห็นมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่อาตมารู้สึกว่าใกล้ชิดกับตัวเองมากที่สุดนี่ไงโอกาสมีเสมอสำหรับคนที่เจริญสติในนาทีที่วิกฤตที่สุดนะถ้าเรานิ่งได้มากที่สุดคุณโยมจะ เ, เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนกับว่ามัน slow motion โโเพื่อให้เราดูอาตมาจดจำได้ทั้งหมดรถมันแซ่กตรงกงลางลวมันสวมนมาไฟมันสว่างพลองอาตมาก็ทาใจเลย พอเราไม่ต่อต้านพอเราไม่ขัดขืนเราเข้าสู่ความสงบในจิตในใจของเราเหตุการณ์มันก็พลิกได้ฉะนั้นบุญสูงที่สุดของเราแล้วเราทําได้ทุกคนนะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยอยากจะแนะนําให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ที่จะฝึกสมาธิภาวนาเจริญสติอยู่เสมอถึงเราคขับขันมาหรือไม่ขับขันสิ่งนี้ช่วยได้ประการที่หนึ่งประการที่สองมีผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในอดีตผู้หญิงคนนี้สวยมากทีนี้พอป่วยก็ไม่สวย ก็เลยไม่อยากให้ใครพบห้ามเยี่ยมห้ามประกันขอไม่สวยอยู่บนเตียงคนเดียวแล้ววันหนึ่งเพื่อนๆก็ได้ต่อสายโทรศัพท์ให้มาคุยกับอาจาเธอบนว่าพระอาจารย์เจ้าคะในชีวิตไม่เคยทำเลวตักบาตรทุกเช้าหน้าที่การงานก็ดีมากคำถามของโยมก็คือแล้วบุญที่โยมตักบาตรทุกเช้า มันไปไหนทำไมไม่มาช่วยโยมตอนนี้โยมจะตายวันตาพรุ่งอยู่แล้วโยมภาวนาหาบุญที่ทำทุกเช้าแล้วทำไมบุญนั้นไม่มาช่วยโยมเลยแต่มาก็ชวนคุยว่าแล้วยมทำยังไงทุกวันนี้ก็เวลามันเจ็บขึ้นมาถึงที่สุดโยมก็ตามดูเจตตามดูเวทนาก็แยกธาตุแยกขันออกมากเป็นคนละกองฟังแค่ น, นี้แต่มาก็ยิ้มได้ละ ก็บุญที่โยมถามหาก็คือวิปัสนาปัญญาที่โยมกาลังใช้พิจารณาความเป็นอนัตตาของร่างกายอยู่พอทำไมพูดแค่นี้ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เลยคนโยมเขาพยายามถามหาบุญที่เป็นรูปธรรมแท้ที่จริงบุญอาจจะมาในรูปของปัญญาก็ได้ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าทําบุญแล้วไม่รวยทําบุญแล้วถูกรางแก่แล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าทํำไมบุญเดียกรรมเดี ย, ด ย, ดยไม่ส่งผล อย่าไปมองแต่รูปธรรมนะการที่มันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นแล้วคุณประคองสติเอาไว้ได้คลับขันเมื่อไหร่คุณก็มีปัญญาฝ่ามาได้ทุกครั้งทําไมไม่มองหรอว่าปัญญาเนี่ยคือบุญอันสูงสุดเห็นไหมแต่มาจึงบอกคุณยอมคนนั้นแปลว่าบุญที่คุณยอมมองหาก็คือปัญญาที่คุณยอมมองไม่เห็นเวลาเจ็บปวดแทบล้มระดาตายผู้หญิงคนนี้ใช้วิธีดูเวทนา เจริญสติไปเจริญสติไปกลายเป็นว่าพอจับหลักได้เท่านั้นแหละวันหลังโทรศัพท์มาใหม่บอกว่ายมสบายแล้วมีแต่ความป่วยแล้วไม่มีผู้ป่วยแล้วพระอาจารย์นี่คุณยอมเห็นไหมใครบอกว่าบุญไม่มาในเวลาวิกฤตเขามาแล้วแต่เราไม่รู้จักชื่อเขาเท่านั้นเองฉะนั้นบุญที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกล่าวอย่สั้นที่สุดเจเริญวิปัสสนากรรมฐาน แล้วแม่จำเป็นจะต้องไปเข้าคอสิทธิปัสนาที่ไหนก็ได้นะทําอะไรก็ให้รู้ฝึกนะคิดรู้พูดรู้ทํารู้เคลื่อนไหวรู้เติมตัวรู้เข้าไปมันจะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงในพระพุทธศาสนาเมื่อ น, นั้นและโดยไม่ต้องวางมานไม่ต้องวางกล้ามไม่ต้องวางฟอร์มอะไรเลยนี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่ใครทําได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกันเมื่อ น, นั้น เอาจะมาทดเวลาเจ็บให้เพราะเมื่อกี้เราเริ่มช้าไปสิบนาทีใช่ไหมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ <c oughs> ผมก็ฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์สรุปไว้เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นประโยคที่สรุปสิ่งที่เราพูดมาตั้งแต่จดต้นชั่วโมงจนถึงตรงนี้ได้เลยคือบุญที่เราตามหาคือปัญญาที่เรามองไม่เห็นถ้าทุกท่าน เริ่มฝึกทำบุญไปโดยใช้สติปัญญานะครับก็เป็นการเริ่มระดับอนุบาลไปก่อนจากปฐมขึ้นไปเรื่อยๆท้ายสุดก็จะได้ปัญญาสูงสุดอย่างที่ท่านพระอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับผมจะมีเมื่อเวลาคดบัตรเจ็บแบบนี้นะครับเราก็มีเวลาให้ท่านผู้ฟังได้สักถามแ้วแหะครับจะขอท่านผู้ฟังนะครับท่านไหนที่มีข้อต้องการอยากจ ะ, ะนัาวิชาการเรียนถามท่านพระอาจารย์นะครับยกมือเลยครับ ค่ะขอรบกวนพระคุณเจ้ารบกวนสักสองสองสามประเด็นนะคะประเด็นประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเองเป็นนักศึษาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคือตอนนี้ก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง s e c o n c นแทนเตปิซายยาค่าหญ้ายาหนะุยหเคนมีอะไรนี่ฮะซึ่งทุกคนคงจะทราบว่าอากาศเนี่ยมันไร้พรมแดนนะคะ ทุกคนก็จะได้รับพิษภัยอันนี้ไปด้วยนะคะก็อยากให้พระคุณเจ้าช่วยช่วยบอกออให้ปัญญานะเพราะว่าโยมป้าจะได้เอาไปขยายผลต่อนะคะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็ เ, เกี่ยวกับเรื่องเหล้านะคะตอนนี้กเกษตรกรเราเนี่ยดื่มเหล้าเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเหล้าขาวซึ่งใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นส่วนประกอบนะคะพอดีโยมเนี่ยก็มี มีสามีซึ่งตายไปแล้วด้วยด้วยเล่านะคะอายุห้าสิบเจดเองแล้วก็มีน้องชายก็ตายด้วยเล่าอายุสี่สิบหกเองนะคะก็คิดว่าที่กล่าวมาเนี้ยเป็นเรื่องของการผิดศีลข้อหนึ่งนะคะโดยเฉพาะการใช้ยาค่าหญาใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่ได้เคารพสามแม่นะคะแม่โพศแม่คงคาแล้วก็แม่ทรณีนะคะ นี่ก็อยากจะได้ความเมตตาจากพระคุณเจ้าช่วยขยายความเพื่อที่จะได้เอาไปพูดคุยต่อนะคะทีนี้อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นบทบาทของแม่ซึ่งมีลูกเป็นโรคจิตนะคะเขาก็เขียนมาวันนี้เขาไม่ได้มานะคะเขาเขียนมาถามเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยจบมชนะะฝั่งฝรั่งเศสเขียนยมดับหนึ่งตอนนี้เป็นโรคทางจิต s c h i z ฟ p h เนียระดับสามนะคะ เป็นกรรมจากอะไรจะทำให้อาการดีขึ้นอย่างไรลูกสาวี่ศรัทธาธรรักือสินห้านะคะ ก, ก, ก็ถามมา ซ, ซึ่งแม่ก็ดูดูแลลูกแบบองค์รวมตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะเรื่องธรรมชาติเนาะคงมีเวลาที่บายน้อยอาตมาแนะนำให้ไปอ่านหนังสือโลกร้อนทำเย็นอตาตมาเขียนเอาไว้เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน เกี่ยวกับระบบความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนแล้วเราจะแก้ไข ย, ยังไงก็แนะนำไว้สั้นๆว่าคุณจะแก้ไข ย, ยังไงก็ตามนะไม่มีทางสำเร็จถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดต่อโลกนี้ใช่ใหมเรื่องที่สองเรื่องพิษไทยซึ่งเกิดจากการเด่มสุรามิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ชวนชาพุทธรับสินเพราะทุกวันนี้ไม่มีประเทศไหนที่คนรับสินมากเท่าประเทศไทย แต่รับแล้วไม่ถือมันโยนลูกบอลใส่มืออ้ารับเลยนะรับแล้วไม่ถือบอลก็หลุดจากมือจึงไม่ค่อยมีผลมากฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องอาศัยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปในทุกทิศทุ ก, ท, ก, ท, กทางด้วยวิธีการใดก็ได้ที่เราทําได้คนจะไม่เปลี่ยนในวงเอนนะจากการที่มีใครมาบอกให้เปลี่ยนแต่คนจะเปลี่ยนถ้าเขามีความรู้ใหม่ ลองดูให้ความรู้ใหม่ๆแก่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาชาวสวนแะเขาก็จะเปลี่ยนได้ครั้งหนึ่งอาจรมาเคยไปบรรยายเรื่องการไม่สวมหมวกกันน็อกว่ามันทําอันตรายถึงชีวิตแต่มาไปบรรยายกับน้องชายน้องชายแตมาเป็นตํารวจปรากฏว่าไม่มีใครฟังเลยตํารวจก็พูดแบบตํารวจอ่ะนะเอาหมวกกันน็อกไปก็เตรียมไว้ขายหน้าห้องไม่มีใครซื้อเลยเออพอย้ายที่บรรยายใหม่อาจมาไปเปลี่ยนวิธีใหม่ อามาลูกมะพร้าวไปสองลูก <c oughs> ลูกหนึ่งมีเปลือกลูกหนึ่งเอาเปลือกออกหมดนะโยนลูกมะพร้าวที่มันทั้งเปลือกตกลงบนพื้นซีเมนมันไม่แตกอีกลูกหนึ่งเอาเปลือกออกหมดโยนขึ้นมามันตกแล้วมันแตกเท็คนะโยไม่สมบวกกันนกจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> วันนั้นขายเกลี้ยงเลย <c oughs> คนไม่เปลี่ยนนะถ้าใครมาสั่งเปลี่ยนถ้าเขาได้องความรู้ใหม่ นี่คือวิธีการที่คุณเดโยมลองนำไปปรับดูนะให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาชาวสวนแล้วก็ส่วนเรื่องที่สามถ้าเป็นปัญหาในทางจิตยอย่างนี้เนี่ยก็ค่อยๆรักษาไปทั้งสองทางเพราะเราไม่รู้ว่าโรคบางอย่างเนี่ยเป็นสมุดฐานทางกายภาพหรือสมุดฐานทางชีวภาพก็คือเรื่องของทางจิตใจในทางกายให้หมอรักษาในทางใจให้ธรรมะรักษา ฉะนั้นเพิ่มธรรมะเข้ามาในชีวิตเขาง่ายๆเลยชวนเขาฝึกการเจริญสติผู้ป่วยกว่าเก้าสบเเปอร์เซนที่มีปัญหาทางจิตล้วนปล่อยให้จิตทํางานโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวฉะนั้นชวนเขาฝึกเจริญสตินะถ้าเขารู้สึกตัวขึ้นมาจิตไม่พาเขาฟุ้งถ้าจิตเขาสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้เขาสามารถหลุดพ้นได้ฉะนั้นชวนเขาฝึกเจริญสติจะเป็นวิธีแก้ที่ตรงที่สุด คิดว่าตอนนี้เรายังมีพิธีการในส่วนสุดท้ายอีกนะครับอาจจะขอใช้เวลาสักสิบนาทีจึงขออนุญาตยุติการให้ซักถามนะฮะซึ่งจริงๆผมก็เข้าใจว่าแต่ละท่านคงมีข้อที่อยากจะซักถามพระอาจารย์เยอะมากมายก็อาจจะขอเป็นโอกาสหน้านะครับท่านท่านถ้าพระอาจารย์มีโอกาสก็คงจะได้ให้ธรรมะ ก, กับพวกเรา นะครับผมในนามของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มาทําบุญและอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าไม่ใช่มีเฉพาะท่านที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นครับเรายังมีผู้ชมบางท่านอี ก, อ ก, อก ส, ส่วนใหญ่เลยฮนะอยู่ชั้นสามอีกหนึ่งห้องชั้นสี่ก็อีกสองห้องนะครับซึ่งกําลังดูวงจรปิดก็ต้องขอกราบอภัยทุกท่านด้วยในเรื่องของการดูแลต้อนรับขับสู้ไม่ไม่ทั่วถึงนะครับ จรื่อเป็นที่จะต้องดูจากวงจรปิดเพราะว่ามีผู้ที่สนใจมากมายท้ายสุดนี้ท่านพระอาจารย์มีอะไรที่อยากจะประกาศนะครับขอเปลี่ยนยนาม ส, ส ก, การครับพระอาจารย์ขอแจ้งข่าวบนนิหน่อนะวันนี้พระอาจารย์ได้นําซีดีธรรมบรรดาแล้วก็ธรรมโพสการ์ดมาแจกด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมแจกด้านนอกนะเ<อ>พะื่อที่จะได้รับกันโดยทั่วหน้าถ้าไม่ทั่วก็อนุญาตให้ใช้วิธีก๊อปปี้เป็นเทปผีซีดีเถื่อนได้เลยไม่สงวนเลิกกันเสร็จ ในเรื่องที่หนึ่งนะแล้เรื่องที่สองถ้าเห็นว่าเช้าวันนี้เราเรายังได้ฟังธรรมะ ก, กันน้อยเกินไปตอนบ่ายวันนี้พระอาจารย์จะขึ้นไปบรรยายที่พระตำหนักภูพิงวันนี้เปิดกว้างให้คนนอกเข้าฟังได้นะคนุณดมนะเวลาบ่ายโมงครึ่งถ้าใครว่างอาตมาก็ขอเจริญพเรเชิญชวนขึ้นไปฟังกันได้ข้างบนได้อีกที่นั่งจู่ได้ประมาณสักห้าร้อยที่นั่งนะเพราะฉะนั้นก็ฝากข่าวบนตรงนี้ด้วยขอเจริญพร ฉะนั้นแจ้งข่าวไปยังเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะครับก็เตรียมตัวแจกเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ซักชุดสองชุดเพื่อเอาไปเตรียมทำก๊อปปี้แจกต่อไปนะครับผมขอจบการบรรยายใน ว, วันนี้นะครับด้วยข้อบทความที่คัดมาจากหนังสือเรื่องเสียดายคนตายไม่ได้อ่านของคุณดังตรินนะครับมีเรื่องน่าเสียดายในชีวิตที่ท่านผู้เขียนเขียนไว้4ประการด้วยกันนะครับหนึน่าเสียดายถ้าก่อนตายไม่ได้ศึกษาพุทธพจน์ น่าเสียดายถ้าศึกษาพุทธพจน์แล้วไม่เลื่อมใสน่าเสียดายถ้าเลื่อมใสพุทธพจน์แล้วไม่ปฏิบัติตามน่าเสียดายถ้าปฏิบัติตามพุทธพจน์แล้วแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงฝั่งวันนี้เราได้พุทธพจน์ดีๆนะครับผ่านจากท่านพระอาจารย์ War, วอรวชิรเมธีนะครับก็ คิดว่าเราคงไม่มีเรื่องน่าเสียดายในชีวิตอีกแล้วยกเว้นว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็ขอโมทนาสาธุกับทุกผู้ทุกพระองค์ทุกดวงจิตทุกวิญญาณนะครับที่กระผมได้นํามาเป็นกรณีศึกษาในการบรรยายครั้งนี้นะครับขอให้ผลบุญจงเป็นพระโลภปัจจัยให้ทุกท่านที่นํามาเป็นกรณีศึกษานั้นพ้นจากทุกขละ ถึงพร้อมด้วยความสุขทุกท่านนะครับของโมทนาศาสตร์กับทุกท่านด้วยนะครับมีข่าวแจ้งนะครับว่าอารจัดบรรยายของเราเนี่ยนะครับเราได้จัดบรรยายเป็นประจําเรื่องเกือบทุกปีก็ได้นะครับในส่วนของภาควิชาพีรศัตว์วิทยาท่านไหนที่สนใจการดีวดีบันทึกการบรรยายเดิมๆที่เราทําไว้นะครับมีเรื่องโรคกาเก่าภาคหนึ่งนะครับสามารถยืมได้ที่ห้องสมุดนะครับอาจจะต้องขอเอาบัตรประจําตัวประชาชนแลกไว้นะครับแล้วก็เอามาคืนนะฮะ ภาคสองเมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่องชีวิตหลังความตายและการกลับชาติมาเกิดใหม่สำหรับปี2552นี้อย่างที่ทุกท่านได้รับฟังธรรมบัญญายจบไปแล้วเรื่องบุญแก้วิบากการรมได้หรือไม่เราจะทำเป็นดีวดีบันทึกการบรรยายนะครับแล้วก็นำแจกที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ตึกนี้แหละครับชั้นหนะครับคาดว่า ขอใช้คําว่าคาดว่าก่อนนะครับคาดว่าจะเริ่มพร้อมแจกได้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2552เป็นต้นไปท่านละ1ชุดนะครับก็ขอให้นําบัตรประชาชนมามาแสดงแล้วก็มารับไปนะครับท่านละ1ชุดนะครับอนุ ญ, ญาตให้ทําซ้ําได้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานได้ครับก็ขอโมทนานหน้กับทุกคนนะครับที่มีส่วนในการาจัดทําำบรรยายท้งนี้ให้สําเร็จล่ว ง, วงต้องขอส่งเวทีนี้กลับคืนให้อาจารย์เฉลิมเวรแล้วนะครับ ขอบคุณครับครับขอได้รับเกียรติจากท่านผู้ที่ได้มารับฟังการบรรยายในครั้งนี้นะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วอย่าเพิ่งุลุกจากที่นั่งนะครับเพราะว่าจะต้องขอให้คณะของพระอาจารย์เดินขึ้นไปชั้น5ก่อนนะครับถ้าหากว่าท่านลุกพร้อมกันเนี่ยคาดว่าคงจะไปกีดขวางทางจราจรนะครับขอได้รับความร่วมมือด้วยนะครับครับสรรพสิ่งเป็นไปได้ตามเหตุไทยอาเภษชั่วดีที่ไหนไหน ล้วนเป็นแต่ผลกรรมคนทำไปและไม่ใช่ผลอันเทพบันดาลคนได้ดีเพราะสร้างดีให้ชีวิตผลดีติดตัวเห็นเป็นหลักฐานมิช่เทวดามาประทานให้แก่ท่านทั้งหลายนั้นได้ดีครับครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณบุญบารมีของพระอาจารย์ ท่านบอไวเชลมีทีนะครับที่ได้ไมา ใ, ให้ความกระจ่างแจ้งกับพวกเราทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังในวันนี้พร้อมกันนั้นขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรสุพันิมิตรทีฆะชุนหาเทียนผู้ ด, ดำเนินรายการในวันนี้นะครับครับช่วงท้ายตัว น, นี้นะครับเราจะได้ทำบุญสร้างอ น, นิสงส์งพร้อมกันก็คือจะได้ได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ดรบุตรบงจำเริญรัศมีรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับได้ถวายได้น้อมถวายปัจจัยที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้สมทบในวันนี้และส่วนของคณะแพท ย, ยศาสตร์ให้กับท่านพระอาจารย์บอวิชรเมธีขอเริ่มเชิญอาจารย์ครับครับหลังจากรองศาสตราจารย์ดรบุตรบงท่านให้เกียรติ น้อมประเจนถวายเจตุปจจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระอาจารย์ท่านจะได้เมตตาอนุโมทนาให้พรท่านที่ได้เตรียมน้ำหยาดมาหยาดก็ได้นะครับหลังจากท่านพระอาจารย์ท่านเมตตาอนุโมทนาให้พรแล้วนะครับจะได้เมตตาเดินทางไปชั้นห้าเพื่อได้โปรดเมตตาฉันพัะทหารเพนที่นั่นนะครับอ่าทุกท่านทุกคนทั้งในห้องนี้ชั้นบนแล้วก็ด้านนอก สะรวมจิตใจให้เป็นสิริมงคลเรามาทำบุญใหญ่สิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นกา ย, ยกรรมวิชีกรรมและมนกรรมที่เป็นกุศลอย่างยิงย่งฉะนั้นเรามีบุมีกุศลอย่างนี้แล้วเราไม่ห่วงเอาไว้นะเราแผ่ไปให้ก้างขวงที่สุดตั้งแต่ตรงชนนี้จนถึงขอบปากจากักรวาลทุกท่นทุกคนมาแผ่เมตตาพร้อมกันแล้วจากนั้นจึงค่อยรัอนะให้ว่าตามามาสาธุสาุสาธุสาุสา ขอตั้งเจตุทิผลขอตั้งเจตุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัศาลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติเม็ตสเนตการหลานญาติเม็ตสเนตการประชาชนทั่วไปทั้งไกลใกล้ ปปนทั่วไไกลขอให้ได้ในกุศลผลของฉันขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถอดขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถอดเปล่งสาธุการพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุ เอาละตั้งใจรับพ่อนนะยะถาวริวหาปุราปริปุรันติสาขารังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจุตุสัเพปุรันตุสังคปะชนโทปันนรสโอยาถามณิโชติรสโอยาถาสพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัต วันตราโยสุขีทีขายุโควะวะอภิวาทนสีลิสเนจังวุฒาประจายิโนจับตารธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลางังสาธุสาธุสาธุสำหรับท่านที่ต้องการรับซีดีแล้วถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบนะ ที่ตรงปกซีดีจะมีหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ท่านสามารถโทรศัพท์ไปขอหรือเขียนจดหมายไปขอได้ฟรีจากสถาบันวิมุตยตอรลัยของอาตมาที่กรุงเทพซีดธรรมบรรยายของอาตมาภาพมีตั้งมากตั้งไม่ ก, กว่า200เรื่องนะคุณผูมนะต้องการเรื่องประมาณไหนเรื่องกฎงกรรมเรื่องพระคุณพ่อพระคุณแม่เรื่องการทำงาน เรื่องเหตุบ้านการ ม, มีทุกรูปแบบคนยมสามารถโทรศัพท์ไปขอหรือการจดหมายไปขอได้แล้วก็เมื่อได้มาแล้วสามารถก๊อปปี้แจกเป็นธรรมทานได้ไม่จำกัด น, นะขอเนั้บรนาทุกท่านทุกคน